พระอนุบัญญัติ572อนหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข่อยู่ในเซนาสนะป่าที่รู้กันว่าหน้าหวัดระแวงมีภัยน่ากลัวเช่นนั้นไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนรับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตอนเองในอารามแล้วฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านตั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัพเะกร ะ, ะรผมขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องภิกษุผู้เป็นไข่จบ